เขาต้องเก็บภาษีนนะเทวปิยะความเข้าใจของข้าพเจ้าว่าอย่างนั้นท่านสมณังทาไมท่านจึงเขา้าใจอย่างนั้นท่านมหาครุหยุดพักหมู่บ้านแห่งใดแล้วบรรดาสาวกผู้ใกล้ชิดกับท่านก็จะออกตระเวนเก็บพักศีนาทันทีถ้าใครไม่สามารถเสียภาษีครบปีที่สามจะถูกนําตัวไปพบท่านมหาครูและท่านมหาครุก็จะสาปแช่งให้สาวกผู้คอร้ายเหล่านั้นประสบภยัยพิบัติต่างๆ เมื่อสาวกผู้เคราะร้ายเหล่านั้นถูกสาบแช่งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นข้าพระเจ้าเองก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ทุกคนตกใจกลัวจนตัวสั่งงนงันงกและรีบตะลีตะลานหาวิธีแก้คำสาปทันทีวิธีแก้คำสาปมีใช่ไหมละ่ะวิธีแก้คำสาปนั้นมีท่านผู้เจริญวิธียังไงอุบาสกวิธีแก้ตามที่บัญญัติไว้ผู้ถูกสาบจะต้องเดินทางไปประกอบบุญตามนครนันจกักษิิทธ์ต่างๆ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 ท่านมาอาครูได้ออกเยี่ยมสาวกได้หยุดค้างคืนที่หมู่บ้านข้าพเจ้าถูกนำตัวไปพบท่านและถูกสาปถูกสาปแล้วท่านทำยังไงต่อไปด้วยความหวาดกลัวกับมรณะภัยข้าพเจ้าจึงออกเดินทางจากหมู่บ้านตั้งแต่วันนั้นทิ้งบุตรพัญยาไว้เบื้องหลังเดินทางรอนแรงไปตามนครแม่น้ำสระน้าและปา่าอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อประกอบบุญแก้คาสาป ข้าประ j a ได้ไปมาเกือบครบทุกแห่งแนละ้วเหลืออีกแห่งเดียวคือตะโปธานาทีแห่งคนรครราชกุฎเท่านันน่าสงสารอุบาสกถ้าเชื่อจริงๆหรือว่า มหาคุรุของท่านเป็นบุคคลผู้ศักดิ์สิทธิ์สามารถบรรดาให้ใครไป็นนก็ได้เชื่อสิท่านสมณะถ้าไม่เชื่อข้าพเจ้าก็คงไม่ต้องระเหเร่ร่อนจากบ้านเมืองได้รับความลาบากยากเย็นเช่นนี้อาตมาอยากจะถามอีสัิดนิเถอนะเทวเปียถามมาได้เลยท่านสมณะสิ่งใดที่ข้าพเจ้ารู้จะบอกให้ท่านทราบที่อาตมาอยากจะถามก็คือว่า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 ปราศจากคุณธรรมมีนิสัยชอบพูดเท็จเราก็อาจจะอนุมานได้ว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นไม่จริงอีกประการหนึ่งถ้าผู้พูดเป็นคนกลางไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนั้นเป็นฝักเป็นฝ่ายข้างนั้นข้างนี้เราก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นไม่จริงอัตมา จ, จะขอถานท่านว่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์วิเศษของมหาครุนี้ใครเป็นคนเล่าให้ท่านฟังละ่ะ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 ถ้าเก็บได้สมปรารถนาเขาก็มักจะพรณรนาความศักดิ์สิทธิ์ของท่านมหาคุรุในทางที่ดีเช่นคำอวยพรว่าอาศัศลวาทักและเป็นยังไงเพียงคำอวยพรคำนี้คำเดียวของท่านมหาคุรุอาจจะทำให้ผู้ได้รับประสบโชคลาภภายในสามวันเก็ดวันแต่ถ้าเก็บภาษีไม่ได้เขาจะนำเอาความศักดิ์สิทธิ์ในด้านรายของท่านมหาคุรุมาคู่ว่า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 เขาบอกหรือเปล่าว่าเรื่องนั้นเคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านของท่านเอง Simpson. หรือในหมู่บ้านใกล้เคียงตามปกติเขาไม่บอกว่าเกิดที่ไหนเมื่อไร่ถ้าบอกก็มักจะบอกว่าเกิดขึ้นในหมู่บ้านอันไกลแสนไกลซึ่งแม้แต่ชื่อเราก็ไม่เคยได้ยนินได้ฟังมาก่อนแล้วท่านทราบไหมว่าทําไมเขาจึงอ้างว่าเรื่องนั้นนั้นเกิดขึ้นในหมู่บ้านแปลไกลทําไมไม่บอกว่าเคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านของท่านเองข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ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 ถ้าอย่างนั้นอะไรเหรอเทวาปิยะมหาครุก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์จริงหรือสิจริงไหมท่านสมณครถ้าเป็นอย่างที่ว่ามหาครูก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์จริงดังที่เขาเล่าลือกันอาตมาไม่มีทางจะทราบได้หรอกอุบาสกว่ามหาครุของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่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 อุบาทก์ท่านเป็นอะไรไปเอ๋พอจมาสิท่านเป็นอะไรไปเทวาปิยะพระเข้าพระเจ้าไม่ได้เป็นอะไรอ้าวแล้วท่านน้อยทำไมข้าพระเจ้าเพียงแต่น้อยใจเสียใจเท่านั้นเองเสียใจน้อยใจเรื่องอะไรเสียใจ น้อยใจที่ตัวเองตกอยู่ในปลักแห่งความโงกเขามาเป็นเวลานานแสนนานทำไมข้าพเจ้าไม่คิดถึงเหตุผลง่ายๆอย่างที่ท่านแสดงให้ฟังถ้ า, เาพเจ้าลองคิดและสอบสวนดูอย่างที่ท่านนะข้าพเจ้าก็ไม่ต้องประสบกับความรกรรมลำบากทั้งเพียงนี้ท่านผู้เจริญท่านเป็นโด็กระทิบนําแสงสว่างมาให้แก่ชีวิตของข้าพเจ้าอย่างแท้จริง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 หลังจากนั้นเทวปิยะเขาปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนา คือพัฒนาไตรเป็นที่ขึ้นตลอดชีวิตและเทศนาสั่งสอนให้มั่ น, นคงในสัมมาทิฏฐิและสัมมาปฏิบัติจนพระทิตบา ย, บายคอยจนจะรับแนวปากขั้นผู้เจริญข้าพเจ้าขอลาพอกันทีกับการเดินทางอันยาวนานตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะมุ่งหน้ากลับบ้าน ไม่ทราบบุตรพัญญาจะเป็นตายร้ายดีประการใดบางทีเขาอาจจะอดตายแล้วก็ได้ต่อไปในอนาคตถ้าท่านมีเวลาก็ขอให้มนไปโปรดสักว์ผู้โง่เขาทางแควนกรลิงขับบงถ้ามีโอกาสอาตมาจะไปว่าแต่อยากจะถามท่านสักหน่อยว่าท่านเดินทางมาหลายบ้านหลายเมืองเคยผ่านเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบ้างหรือไม่ เคยผ่านมาบางท่านผู้เจริญมีนครนับเป็นสิบสิบตั้งอยู่ริมฝั่งน้ําอัตมาหมายถึงนครที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําอันกว้างใหญ่แม่น้ําที่มีฝั่งสูงมีเทวไลยมากมายตั้งอยู่บนตลิง่งจากตลิ่งลงไปถึงชายน้ํามีบันไดเป็นขั้นๆยาวไปตามลําน้ําและดูสวยงามมีคนทุกเพศทุกวัยอาบน้ํำในแม่น้ํา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 เขามันจะโคา เทวปิยเกี่ยวกับนครพารานสีทำให้ตื่นเต้ น, ตนสนใจก่อนหน้านี้เข้าใจว่านครที่ปรากฏเป็นไม่มิตในดวงใจเป็นเพียงภาพมายาที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เห็นว่าไม่ใช่ภาพมายาแสนงถ้าเป็นภาพมายาจริ ง, งก็ไม่น่าจะมีลักษณะตรงกับนครพารานสีแต่นี่ตรงกับทุกอย่างและถ้าเป็นความจริง ดีลาวดีก็น่าจะมีอยู่จริงแต่จะเป็นไปได้ย่งไงล่ะเอเมื่อดีลาวดีตายจากโลกนี้ไปสิบกวา่าปีแล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเธอได้กำเนิดเกิดใหม่อีกในปราศาสตร์หลังนั้น มุ่งหน้าสู่เหนือไปเรื่อยๆโดยไม่รีบรอนคำไหนก็นอนพักค้างคืนที่นั่นกลางคืนดนเพนเพียนทางจิตกลางวันสนทนาเทศนากับผู้ที่มาหาหลังจากเวลาอันยาวนานผ่านไปก็ม า, าถึงหมู่บ้านที่มีชาวบ้านเป็นพุทธศาสนิกมีอารามัน่ารื่นรมย์ในอารามมีที่ฝุชื่นนิมมละอยู่อาศัยก่อนนั้นนิมมละ เคยอยู่ในความปกครองมาก่อนครั้ ง, งอยู่พระเวรุวานารามเออท่านผู้เจริญหลังจากท่านออกพระเวรุวานารามมาไม่นานเหตุการณ์อย่างหนึ่งนักว่าร้ายแรงมากก็เกิดขึ้นในพระนครราชกึกมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นล่ะท่านผู้มีอายุเป็นเรื่องที่น่าเศ้าใจมากทีเดียวเรื่องแค่นี้ไม่น่าจะมีเกิดขึ้นในวงอันบริสุทธิ์ก็ แห่งพระพุทธศาสนารีบเล่าเถิดท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าใคร่จะฟังเต็มทนแล้วท่านคงน้องจำได้หลังจากที่ท่านจากมาพระเทวทัตก็เข้าบริหารพระ อ, อารามแทนท่านข้าพเจ้าจําได้ได้ยังไงหลังจากพระเทวทัตเข้าบริหารอารามแทนท่านแล้วไม่มีใครทาาราบบอเหตุใดท่านพระเทวทัตจึงกำศรัทธาภาษาธรร ของเจ้าชายอาชาติโตไว้ได้อย่างมั่นคงบางคนเราวะพระเทวทัตทรมานองค์มงกุฎราชกุมารด้วยอิทธิปฏิหารอันเกิดแต่โลกิยาชานของท่านทําไมจะได้ถูกกล่าวหายันจากคนที่เราวะวันหนึ่งพระเทวทัตได้ในละมิตรตนเป็นกุมาร น, น้อยมีอสรพิษพันเป็นกนาไลที่ขอมือและที่ข้อเท้าทั้งสอง ตัวหนึ่งพันเป็นสร้อยคอตัวหนึ่งทำเป็นเครื่องประดับศีรษะอีกตัวหนึ่งทำเป็นผ้าเฉรียงบ่าหเขลงมาจากอากาศนั่งลงบนพระเท่าของอาชาสกุราช ก, กุมารเมื่อพระราช ก, กุมารตกใจกลัวและจับถามจึงกรับเพศเป็นพระเทวทัตตามเดิมยังความศรัทธาเรื่อมใสอันแรงกล้าให้แกเจ้าชายอาชาสกุเป็นอย่างมาก ตาทิพย์พระเทวทัตกำลังมัวเมาอยู่ในลาภสการะอันเกิดจากศรัทธาขององค์มกุตราชกุมารอยู่นั่นเองพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หนูใหญ่ก็เสด็จมาประทับที่เวรุวรรณารามเพราะความมัวเมาในลาภสการะและเพราะความทะเยอทยานมักใหญ่ไฟสูงเกินฐานะพระเทวทัตได้เกิดความคิดอันหลามกขึ้นหมายถึงอะไร ท่านอาวุโสนี่มาพระเทวทัตคิดที่จะเป็นพระพุทธเจ้าบริหารภิกษุสงฆ์แผนองค์พระบรมศ า, ศาสดาเสียเองพร้อมพร้อมกับความคิดอันรามก น, นเองท่านก็เสื่อมจากริกอันเป็นโลกยนัานทันทีสแสดงปาฏิหาริย์ต่อไปอีกไม่ได้น่าสลดใจนะข้าพเจ้าไม่เคยคิดเลยว่าพระเทวทัตจะชั่วชาเลวสามถึงขนาดนั้น เมื่อท่านมาถึงเวลวันครั้งแรกก็ดูเป็นผููหนักแน่นในธรรมวินัยดีข้าพเจ้าจึงได้มอบหมายให้ท่านบริหารพระอารามแต่ก็มีอะไรบางอย่างเหมือนกันที่ท่านแสดงออกมาทําให้ภิกษุและอุบาสกบางคนเกิดความระแวงสงสัยที่พระเทวทั์แสดงออกมานั้นอะไรเล่าท่านพูดกรริญท่านชอบพูดเสมอเสมอว่าพระพุทธเจ้าไม่สําคัญไม่ควรวนติดพระพุทธเจ้า ให้ถือพระธรรมเป็นสำคัญแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ระแวงสงสัยอะไรเลยเข้าใจว่าท่านพูดธรรมะในชั้นปรมัตา์ความจริงท่านมีแผนที่จะประกาศตนเป็นป ร, รมาสสดาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วเล่าต่อไปเถอะอวุโสนิมาละพระเทวทัตได้กรแดงเกตจำนงอันญโชชาของตนออกมาในวันหนึ่ง ทมกลางความตกตะลึงเพลิงเพลิดของพระราชาทิเบดีพิมพิสารพิกจุโงและอุบาจกอุบาจิกาซึ่งกำลังนั่งฟังธรรมะดูในพระเวรุวัณารามขณะที่พระโ ร, รมัสสทดากำลั ง, งจงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั่นเองพระเทวทัตได้ลุกขึ้นจากอาสนะเยืนพระของอัญชลี กาบทูลพระบรามธ า, าธาดุดาโดยเขียงอันดังถ้าแต่พระองค์ผู้ระเริ่<ป>เวลานี้พระ ผ, ผู้มีพระภาคทรงชราแก่เท่าแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยทรงระบตอบธรรมะอยู่สบายในชาตินี้มองคันจะบริหารชิชุ ส, สงแทนพระองค์เอง ออพระองคไปโปรดมอบภิกษุสงฆ์ให้มองชั้นบริหารเถิดดูก่อนทิวทัต ถ, ถ้าเธออยากจะบริโภคปัจจัยเของชาวบ้านหลุดบริโภคน้งลายก็จงบริโภคเธออย่าเข้ามายุ่งกับภิกษุสงฆ์ทพนผู้เจริญ เมื่อพระเทวทัตถูกลุกร้านด้วยวาถะเช่นนั้นก็เกิดความอับอายโทมนักแล้วรีบหลบออกไปจากมหาตันนิบาทหลังจากที่ฟังพระธรรมเทศนาแล้วพระพิสุขสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาต่างหันหน้าเข้าปรึกษาหารือด้วยความมิตกเกรงว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในสังขมนทนเพราะพระเทวทัตเป็นต้นเหตุแต่ทุกคนก็ยังหวังอยู่ว่า พุทธานุภาคงจะช่วยผ่นหนักให้เป็นเบาได้ข้าพเจ้าไม่เคยนึกเคยฝันเลยว่าพระเทวทัตผู้เป็นเทระผู้ใหญ่และเป็นเชื้อพุทธวงศ์จะกล้าทำชั่วช้าลามกเช่นนีนั่ น, นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นพระเทวทัตยัยงประกอบตามชั่วยิ่งกว่านั้นอีกหลายอย่างพระเทวทัตทายัยางไงอีกละ ท่านผู้อาวุโสหลังจากเกิดเหตุวันนั้นแล้วพระบรมศาสดาก็กรงรับกังให้ภิกษุสง์ประกาศทั่วไปในนครราชคฤห์ว่าบัดนี้พระเทวทัตมีจิตมุ่งร้ายต่อบรมศาสดาเธอได้ขาดสังกัดจากพระภิสุสงแล้วพระเทวทัตว่ายังไงทันทีที่พระเทวทัตกราบข่าวนี้กบกรดแข็งพระบรมศาสดามากขึ้น แล้วก็เริ่มวางแผนการชั่วร้ายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแผนการชั่วร้ายอะไรท่านผู้อาโวโุโสลอบลงพระชนพระบรมสารดดาลอบลงพระชนพระบรมศาสดาเป็นความจริงเหรอเนี่ยเป็นความจริงท่านผู้เจริญอืม พททระเทวทัตทำยังไงท่านได้เข้าเฝ้าอาชาสกุลราชกุมารในวันหนึ่งอาตมากุมารอาตมาไม่ไ ด, ด้สนใจอะไรทิศเชินท่านบุ้เชิญแนะนำสิ่งที่อาตมามจะพูดนั้น สมัยก่อนมนุษย์มีอายุยืนนานแต่แบบนี้มนุษย์มีอายุสั้นลงนั่นเดี๋อะไรล่ะท่านผู้เจริญเกิดจากความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเมื่อเป็ น, นเช่นดีย้พระองค์อธิวงคตซะก่อนตั้งใาอ ย, ย่างเป็นพระอุมานก็ได้ก็แล้วแต่บุญละกันถ้าคิดอย่างนั้นพระองค์ก็จะพลาดโอกาสงามไปโอกาสงามอะไรท่านผู้เจริญโอกาสงามที่จะได้ครองราชสมบัติเหนือมาโคตรรับยังไงละ่ะ เราคงยังมีโอ ก, กาสไหมถ้าทำตามที่อาตมาแนะนำแล้วก็ทำยังไงล่ะท่านบุตรลิญปรงพระชนพระราชบิดาแล้วเป็นกษัตริย์เสยเองส่วนอาตมาก็จะตรงพระชนพระผู้มีะภาแล้วเป็นท้าวขเจ้าเสเองก้่าว้ายาชาติศัตรูหลงเชื่อระเทวทัตหลงพระชนพระราชบิดา สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ครองมกฏรัฐต่อมาหมายความว่าพระเจ้าพิมพิสารแต่เสด็จสวรรคตแล้วอย่างนั้นงไะท่านผู้มีอายุถูกแล้วท่านผู้เยยจเริญร่มโพทองของนครมกฏรัฐได้ถูกลงพระชน้วยวิธีการอันโหดร้ายทารุณที่สุดขระพราเจ้าเองก็ไม่เคยนึกเคยฝัน ว่าบุตรในท้องจะกราทมกับบิดามาเกิดกล่าของตนเช่นนั้นเผอาะอย่างยิ่งกับบิดาผู้ประกอบด้วยคุณธรรมอันสูงส่งอย่างพระเจ้าพิมพิสารแต่เรื่องนี้มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าเห็นชัดว่าคนเรานั้นเมื่อมีจิตถูกความโลภความโกรธความหลงความครอบงมแล้วย่อมไม่มีเหตุผล ไม่มีบาปบุญคุณโทษไม่มีแม้กระทั่งบิดามารดาอาจจะกระทำการอันหยาบชาทารุณต่างๆได้อย่างง่ายได้ข้าพเจ้าเพิ่งจะเห็นประจักษ์ชัในคราวนี้เองเจ้าชายอาชาศัตรูทรงตรงพระชนพระเจวิดาด้วยวิธีใดกรุณาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังด้วยข้าพเจ้าจะเล่าตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวท่านบูเจริญ เมื่อได้รับการยุยงส่งเสริมจากพระเทวทัพแล้วในตอนเที่ยงวันนั้นเกาท้ายอาชาสกุลก็ได้ถือพระแสงกลิกเข้าไปในพระราชมทียตั้งใจจะปลงพระชนพระราชบิดาแต่ยังไม่ถึงคราวเคาะของพระราชธิบ ด, ดีพวกอํามรดได้จับพระราชกุมารไว้สัก่อนเมื่อจักใจในความแล้วก็ น, นําเข้าไปเฝ้าพระราชบิดา